เมื่อพญานกกุณาระกล่าวจบอย่างนั้นแล้วมหาชนได้ฟังคถาอันไพเราะนั่น <c oughs> <c oughs> ใครต่อใครบอกว่าไพเราะแต่ผู้หญิงไม่รู้จะฟังไพเราะหรือเปล่าลพอมหาชนได้ฟังคถาอันไพเราะก็ให้สาธุ ก, การว่าน่าชมเชยท่านกล่าวดีจริงๆแม้พญานกุณาระนั้น ได้กล่าวโทษของหญิงทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล้วก็นิ่งอยู่คือพอพูดไปแล้วอาจจะเหนื่อยก็ได้มั้งนะก็เลยหยุดนิ่งไปตอนนั้นเองพญาแร้งชื่อว่าอานนท์ได้ฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนพญานกกุณละผู้เป็นสหายแม้ข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวโทษของผู้หญิงตามกำลังความรู้ของข้าพเจ้าบ้าง ว่าแล้วก็ปารพแสดงโทษของผู้หญิงออกมาบ้างว่าเอาล้วนะคราวนี้ไม่ใช่แค่พญานกกุณาละแล้วนะมีพญานกแรง้งอานนนมาร่วมด้วยละคือจริงๆตอนแรกก็ฟังนั่นเองแต่ฟังไปฟังมาก็อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าผู้หญิงไม่ดียังไงบ้าง แล้วก็เลยพูดว่าถ้าบุรุษจะพึงให้แผ่นดินอันเต็มด้วยทรัพ์นี้แก่หญิงที่ตนนับถือสไรหญิงนั้นได้โอกาสก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้ น, นอย่างแรกก็ว่าผู้หญิงเห็นแก่เงินเว่ยง่ายเราจริงไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจแม้ของพวกหญิงเผอเรอ่เมื่อมีอันตรายและ เมื่อกิจธุระเกิดขึ้นหญิงย่อมละทิ้งผัวหนุ่มผู้มันขยันมีความประพฤติไม่เหล่ะแหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่วิาสาสะกับหญิงทั้งหลายนะอย่างแรกก็ว่าหญิงนีู่่ยง่ายบ้าสมบัติอย่างที่สองนี่ก็ว่าเผอเล อ, เ, อเลอนี่จะอะไรล่ะ ทำอะไรต่ออะไรก็ไม่อะไรไม่ระวังระวังไม่เอาใจใส่อะไรย่างนี้นะก็เหลือเพลหรือเล่นเล่ออะไรพวกนี้ผู้ชายเนี่ยถ้าขยันแล้วก็หมั่นเพียร น, นะอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ควรที่จะไปยุ่งกับผู้หญิงเพลหรือพวกนี้ไม่ควรไปวิสาสะ ด, ด้วยบุรุษไม่ควงวางใจว่าหญิงคนนี้ปรารถนาเราไม่ควรวางใจว่า หญิงคนนี้ร้องไห้กะซิกะซีเราเพราะว่าหญิงทั้งหลายย่อมคบได้ทั้งบุรุษที่น่ารักทั้งบุรุษที่ไม่น่ารักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้ฉะนั้นอันนี้ก็ก็เปรียบคือคือพูดง่ายว่าอันนี้เตือนผู้ชายะนะเตือนว่าอย่าอย่าไว้วางใจง่ายนักแม้บางทีผู้หญิงเข้ามาทา อ้อเศว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้หรือเข้ามาอะไรอะ่ะร้องหม่มร้องไห้เหมือนกับอะไรอะ่ะให้ให้ความสาคัญนะเรียกร้องความเห็นใจอะไรต่างๆก็บอกว่าบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะผู้หญิงนี่พูดง่ายว่าทั้งบุรุษที่น่ารักทั้งไม่น่ารักนี่รักได้หมดอะผู้หญิงเนี้ย ซึ่งอาตมาก็พูดเตือนบ่อยๆแล้วนะวันนี้ไม่รู้มีคนใหม่มาฟังหรือเปล่านะก็พยายามให้เข้าใจในเรื่องของอิทธิภาวะว่าลักษณะเจริญนิสัยแบบเนี้ยเราหมายถึงนิสัยที่อ่อนแอนิสัยของความเป็นผู้หญิงนิสัยแบบอิทธินะหมายถึงนิสัยที่เราถือว่าเป็นปมด้อยไม่ใช่เป็นปมเด่นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศล ถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามถ้ามีลักษณะจะิตุดนิสัยแบบเนี้ยนี่แหละคืออิทธิภาว ะ, ะแต่นี้พญานกแร้งก็ยังว่าต่อนาเีว่าเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งโน้นทั้งฝั่งนี้คือรักใครได้หมดแหละแล้วก็บอกว่าไม่ควรวิสาสะกับใบไม้เก่าที่เขาปูลาดไว้ อันนี้เปรียบเทียบแล้วนะเหมือนใบไม้เก่าที่เขาปูลาดเอาไว้ไม่รู้พอเข้าใจความหมายนี้ไ่มเนี่ยจะเป็นเสือเก่าก็ได้ไม่ต้องใบไม้เก่าเสือเก่าที่เขาปูเอาไว้เนี่ยอย่าไปไว้วางใจอย่าไปเชื่อใจนะักหมายถึงว่ามาถึงก็เออคนปูให้ก็นั่งลูกเดียวอะ <c oughs> นะคนปูให้ก็นั่งสบายใจอะไรอย่างนี้เพราะนั่นอันนี้ต้องระวัง จะเหมือนในในที่นี้เขาบอกว่าอ่าระวังนะใบไม้เก่าที่เขาปูลาดเอาไวน้นี่เขาเปรียบอย่างนี้ความหมายอะนะความหมายที่เขาเปรียบเอาไว้บอกว่าใบไม้เก่าที่ปูเอาไว้เนี่ยก็คือถ้าบุรุษไปพึงวิสาสะหมายถึงว่าไปนิยมชมชื่นอน่ะอ๋อเขาปูไว้ให้เสร็จนะก็นั่งเลยพูดง่าย นะเขาอาจจะปูไว้ยังแต่เมื่อวานนี้ปูไว้ยังแต่วันก่อนปูไว้ยังแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แหละเพราะนั้นเมื่อไม่ได้ลองตบดูก่อนอ่ถาถ้าถ้าสมมติว่าไปนั่งเลยเนี้ยคืออันนี้เขาเปียกกว่าใบไม้ใช่ไหมเปียกเหมือนกับสมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเสือแสงอะไรพวกนี้เวลาเขาจะปูนั่งเขาก็ใช้ฟางบางใช้เสือบางใช้ใบไม้บ้างเออใช้ใบไม้อะไรพวกเนี้มามาปูไว้ให้นั่งเนี่ย วันบอกว่าไว้ใจไม่ได้จริงๆก่อนจะนั่งเนี่ยมันน่าจะตบตบตบดูเผื่อมีสัตว์เลื้อยคานไปอาศัยอยู่หรือว่านะอาจจะมีใครมาซุกอาวุธซุกอะไรเข้าของซุกอะไรไว้ที่ใต้ใบไม้นั่นก็ได้ถ้าเป็นศัตรูเนี้ยอาจจะซุกซ่อนอะไรไว้นะพอมานั่งด้วยอาจจะเอาขึ้นมาทาร้ายได้อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไว้ใจไม่ได้หรอกนะใบไม้เก่าที่ปูไว้ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเราเดี๋ยวนี้นะในในในที่คนที่มานั่งฟังเนี่ยก็อย่าไว้ใจแม้เสือที่เขาปูไว้อย่าไว้ใจแม้เก้าอี้ที่เขาตั้งไว้ให้เสร็จมาถึงก็นั่งเลยไม่ดูเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างบางทีเก้าอี้อยากจะเปียกหรือเก้าอี้อยาจจะผุผุ้นะนั่งโครมลงไป อาจจะลงไปอยู่ที่พื้นก็ได้คืออันนี้จริงๆก็สอนให้เรามัดระวังอย่าประมาทนั่นเองนะอย่างที่สองก็บอกว่าไม่ควรวิาสาสะกับมิตรเก่าที่เป็นโจรเคยเป็นมิตรสายกันอยู่นะแต่ไม่ควรวิาสาสะหมายถึงว่าไม่ควรไปคบคุ้นไม่ควรที่จะไปสนิทนักกับเพื่อนเก่าที่เป็นโจรเนี่ยทไมเพราะอะไร เพราะโจรเนี่ยปกตินิสัยยังไงโจรฮ ะ, ะโจรก็ต้องจี้ปนเขาใช่ไหมดักทำร้ายเขาอะไรอย่างน้อยน้อยก็ไม่ใช่คนดีนักอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องเยี่ยมโหดหรือว่าก็ต้องสามารถที่จะเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นเขาได้เพราะฉะนั้นแม้เนี่ยเป็นเพื่อนเราก็เหอะแต่เรารู้ว่าคนนี้เป็นโจรเนี่ยหรือว่า หรือว่าเขาเคยเป็นเพื่อนเราแล้วแต่หลังเขาไปเป็นโจรก็ตามนะเพราะธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมฆ่าคนที่รู้จักตัวเสียทีเดียวถ้ารู้ว่าว่าเอาคนที่รู้ว่าเขาเป็นโจรบางทีเขาอาจจะฆ่าปิดปากหรือบางทีเขาก็ต้องระวังใช่ไหมเพราะเอาอั น, นี้มันรู้เรานี่ว่าเราเป็นโจรงั้นอันนี้จะต้องระวังเขาก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงอะนีอันนี้เนี่ยบอกอ่า แ, แม่ผู้หญิงนี่ก็เหมือนกับมิตรเก่าที่เป็นโจรเนี่ยต้องระวังหรือเขาก็เปรียตผู้หญิงเนี่ยว่าเหมือนกับว่าไม่ควรบิษั ส, าสากับพระราชาแม้เป็นเพื่อนของเราทําไมพระราชานี่ก็ไม่ควรที่จะไปบิษาสาไม่ควรที่จะไปคบด้วยเพราะอะไรเพราะพระราชาไปไงมีออ่ยอหน้าถ้าเกิดเป็นยังไงขึ้นมา เกิดไม่พอใจเกิดโกรธขึ้นมาก็โอ้โหสั่งลงโทษสั่งทำร้ายหรือสั่งประหารก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นดอกยงแย่เยเนี่ยนะต้องระวังอย่าไปวิสาสะกับพระราชาคืออย่าไปสนิทนักน่าจะต้องระมัดระวังตัวหรือแม้ไม่ควรวิสาสะกับกิงที่มีลูกแม้สิบคนแล้ว ไม่ควรไปสนิทสนมไม่ควรยุ่งด้วยไม่ควรไว้วางใจว่าอู้นี่ผู้หญิงเขาอะไรมีลูกตั้งสิบคนแล้วอย่างน้อ ย, อยเป็นไงเนี่ยสมมุติว่าคนหนึ่งปีหนึ่งนะเพ่อยังอย่างน้อ ย, อยมีลูกสิบคนก็อย่างน้อยก็สิบปีพรานก็ต้องแก่แล้วใช่ไหมแต่ถึงจะแก่ก็เป็นไงไว้ใจไม่ไดนะ้ถึงจะแก่แล้วก็ตามทำไมถึงไว้ใจไม่ได้เพราะ ถึงจะแก่แล้วเนี่ยมีชู้ได้ไหมประพฤตินอกใจได้ไหมได้ อ, อจะแก่เหลาแย่ขนาดนก็ตามว่ถ้ายังมีกิเลสกามมีกิเลสตัณหาราคะอยู่นอกใจได้ทั้งนั้นแหะสามารถไม่ใช่แค่นอกใจอนอกกายได้ทั้งนั้นแะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าอาอายุมากแล้วก็โอ้ยไว้ใจได้ก็ดูสิอะไรอะ่ะ มีชาโดกอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะอัตมาไม่อยากามาสอนเลยชาดกเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าโอ้มันเกินไปเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเอ๊ะไม่รู้เคยเามาสอน ไ, ไหมนะคิดว่าคงไหมบ้งเพราะาอัตมารู้สึกเรื่องนี้ไม่อยากามาสอนแต่อันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังเ่ยคือคือมันเป็นเรื่องของยิเลตตันหาอะไรพวกนี้เรื่องนี้เขาจะให้เห็นว่าผู้หญิงแม้แก่แล้วเนี่ยถ้า โดนกิเลสตัณหาครอบงําเข้าไปแล้วก็ประพฤติผิดได้ประพฤตินอกใจได้ประพฤติอะไรได้แต่ในอันนี้เนี่ยเขาเ อ, อะไระลูกเนี่ยเป็นพรามณ์เป็นอาจารย์เสร็จแล้วก็สอนลูกศิษย์สอนไปแล้วเหร อ, อสอนลูกศิษย์เสร็จแล้วลูกก็ลูกศิษย์เนี่ยคือจริงๆแม่ก็อายุมากแล้วแหละจริงๆก็ใกล้อาจจะใกล้ตายแล้วพูดง่าย ลูกนี่กัเหลือเกินน่ะมาแหมาลายเหลือเกินลูกอาจารย์คนนี้นี่โอ้โหก็เอาอาจารย์เอาเอ า, เอาแม่ตัวเองเป็นบทเรียนสอนให้กับลูกศิษย์ของตัวเองอีกทีหนึง่งโดยที่ลูกศิษย์เนี่ยไปทําดีกับแม่แม่ของอาจารย์ไปทําดีไปเอาอกเอาใจทำดีเอาอกเอาใ จ, จทำดีเอาอกเอาใจเจอกระทา่งในที่สุดโอแม่ก็หลงรักไอเจ้าลูกศิษย์จนได้ แช่แมแล้วก็นัดแนะบอกว่าแม้แต่จะหนีกันไปหรือแม้จะอะไรอ่ะทำร้ายอาจารย์ก็ยังได้โอ้โหก็ทดลองเจกนกระทั่งชัดเลยว่าแม่ของอาจารย์คนนี้ในที่สุดก็ก็ไม่ดีทั้งๆั้ที่จริงๆอยู่ดีๆนะแม่ของอาจารย์อยู่ดีๆนะแต่ให้เห็นกิเลสตัณหาที่มี ถ้ากิเลสตัณหาเนี่ยมีแล้วอ่ะถ้าโดนอะไรอะ่ะโดนยัว่วโดนย้อมโดนมอมโดนเมาเข้าไปแล้วกิเลสตัณหามันขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไม่ดีไปได้อันนี้เขาก็เปรียบเหมือนกันเนี่ยอย่าไปวิสาสะแม้หญิงมีลูกสิบคนแล้วถ้าพูดกลับกันอย่าวิสาสะแม้ผู้ชายจะอายุใกล้ใกล้เข้าโลงก็ตามไยใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละ เอออันนี้ต้องรู้นะแต่ในที่นี้เขาเปรียบผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงฟังดูก็ให้เราคว่าเปรียบเหมือนกับผู้ชายนั่นแหละไม่ควรวิสาสะในหญิงที่กระทำความยินดีให้เป็นผู้ร่วงศีลไม่สำรวมนะคือตอนนี้สมมติว่าผู้ชายไปคบกับผู้หญิงหรือผู้หญิงไปคบกับผู้ชายคนไหนก็ตามเสร็จแล้วคนนั้นเป็นคนที่นิยมให้เราแบบอะไรอะ แล้วเมื่อสินเนี่ยสีนขาดไม่เป็นไรหรอกนะอะไรอย่างเงี้เอสีนจะเสียไปไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยแบบเนี้ยอย่าไปคบเพราะถ้าคบคนแบบนี้เนี่ยคุณมีแต่เสียสีนไปเรื่อยๆเสียสีนไปเรื่อยๆนะย้อนนั่นนีย้อนนี่นี่ไปอยู่เรื่อยอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยไม่ดีแม้แต่บางทีพวกเราเนี่ยแหละบางคนคิดว่าโอ้ยนี่นี่นี่หน่อยอันนี้ยนี่นี่หน่อยไม่เป็นไรหรอก นะผีศีลใบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งเอากาวต่อต่อศีลเอากาวแปะต่อศีลไปอีกมันมันมันไม่ดีนิสัยอย่างนี้ไม่ดีแสดงว่าไม่ให้ความสาคัญในศีลแล้วเราเองเราก็เมื่อคบกับคนที่ไม่ให้ความสาคัญในศีลศีลเราก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปคบกับคนที่เขาให้ค่าให้ความสาคัญของศีลแล้วใช่มเขาจะทาอะไรเนี่ย เขาก็เออพยายามให้มันอยู่ในศีลเขาก็ระมัดระวังเขาก็สำรวมถ้าอย่างนี้สิเราจะดีขึ้นไม่ว่าคน น, นจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามแต่เราจะเจริญขึ้นเพราะศีลทำให้คนอา้อาวเป็นสุขอา้าวศีลทำให้คนฮะอา้าวาไปถึงนิพพานเออ ศีลทำให้คนเราเป็นอะไรต่ออะไรได้ดีเยอะแยะไปหมดมากมาย อ, อันนั้นว่าตามสูตรนะจะโฟก็สับก็ตามเป็นสุขก็ตามหรือหรือคำมนิพพานก็คือพ้นทุกนะ่าหมดกิเลสอะไรอย่างเงี้ยศีล น, นี่ช่วยเราในด้านดีเนี่ยทุกอย่างศีลไม่ทำให้เสียน ะ, ะแต่คนเรานี่มักจะเข้าใจผิดคิดว่า ศีลทาให้เราเป็นทุกข์ศีลทําให้เราอดกินอะไรอร่อยอร่อยอ่อยอ่อยศีลทําให้เรายังไงนะโอ้โหลําบากเหลือเกินศีลทาให้เราดูสิแต่ก่อนจะพูดไรก็ะแดะพูดได้ตามใจชอบเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรทีต้องคอยระวังนะอย่าพูดให้โกหกอย่าพูดลามกอย่าพูดโทสะใส่ใครอะไรต่ออะไรโอ้ ศีลห้ามการไม่หมดอย่างนี้เราลำบากแย่เลยทั้งท้ที่นั่นแหละที่ถูกแล้วน่ะนั่นแหละศีลทำให้เราเจริญทำให้เราพัฒนาทั้งเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะเลือกคบคนที่มีศีลโดยเฉพาะนะศีลที่ที่สัมมาทิฏฐินะศีลที่ถูกต้องส่วนศีลที่มิจฉาศีลที่ปีผีบ้าพลาดดังนั้นโอ้ยไม่ไหวหรอกถ้าอย่างนั้นเนะี่ยคบไปก็อะไรอ่ะ วิดาที่ถีก็ตามไปด้วยนะเพราะนั่นอันนี้อา้าวก็อย่าไปกบคนที่นะให้เราชอบทำบิดสีนถึงแม้ภรรยาจะพึงเป็นผู้มีความรักแน่นแฟนก็ไม่ควรวางใจเพราะว่าหญิงทั้งหลายเสมอด้วยท่าน้ำอันนี้เราจะยินบ่อยหญิงทั้งหลายพึงฆ่าชายก็ได้พึงตัดเองก็ได้พึงใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ได้ แม่ไม่บอกว่าตัดอะไรออมีมีเกี้เขาบอกว่าอ่าหญิงเนี่ยนะพึงฆ่าชายก็ได้พึงตัดเองก็ได้พึงใช้ให้คนอื่นตัดก็ได้คือพึงตัดคอพึงตัดคอแล้วดื่มเลือดกินก็ได้อะไรมันจะขนาดนั้นเลยเหรอแมมันไม่เขียมกันไปหน่อยเลยสกนันนะ นะอย่าพึงกระทำความสเสน่หาในหญิงผู้มีความรักไข่อันเร็วซามผู้ไม่สำรวมตอนนี้พูดถึงตัวผู้หญิงเองนะผู้หญิงที่ไม่สำรวมนี่นะไม่ดีวันนั้นท่านเมืองแก้วก็พูดถึงเด็กนักเรียนว่าแม้จะลุกจะนั่งจะเดินเหินจะไปไหนอะไรอ๋อน้ำมันระวังหน่อยนะเรากะนุ่งผ้าถุงกันซะส่วนใหญ่ มันบางทีระวังแม้แต่จริงๆจะเดินจะเหินจะอะไรจริงๆมันต้องระวังหมดแหละต้องสำรวมจริงๆสายผ้าถุงนี่มันก็สำรวมได้มากกล้ว น, นะที่จริงอ่ะกูจะเดินก้าวยาวๆแบบรุ่ง ก, กระโปรงแบบนุ่งอย่างอื่นก็ยากอยู่แล้วนะจริงจริงนะ่มันบังคับให้เราสำรวมได้ขนาดหนึ่งแหละเพราะนจริงๆอ่ะถ้าเราเราพยายามเดินให้มันพอเหมาะพอดีมันก็สำรวมจะนั่งยาอะไรก็หัดที่นั่ง เอเพราะนั้นคนที่ใส่ผ้าถุงเนี่ยจะสำรวมได้ดีกับคนใส่กางเกงเพราะคนผู้หญิงที่นุ่งกางเกงเนี่ยไม่ค่อยสำรวมหรอกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ต้องระพัด ร, ระวังอะไรนะกถูกไหมจะจะจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะบางทีนั่งหน้าเกลียด ก, ก็ก็ไม่คิดอะไรมาก อ, อแต่ถ้าเรานุ่งผ้าถุงนี่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้สิ อ, อจะนั่งก็ต้องนั่งแบบนี้ จะลุกก็ต้องลุกแบบนี้จะเดินก็ต้องเดินแบบนี้คือมันทำให้เรามีสติดีขึ้นในการที่จะลุกนั่งทำอะไรต่างๆจะระมัดระวังได้ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการนุ่งผ้าถุงนี่ดีกว่านะดีกว่าเป็นนุ่งกา ง, งเกงนุ่งกางเกงนี่มันเหมือนกับคนใส่รองเท้าอ่ะคนใส่รองเท้าเนี่ยทำให้ประมาททำให้ไม่ระวังจะเหยียบจะย่าจะเดินไปไหนก็ตามสบายใจเฉบเลย เันเขาจะขาดสติส่วนมากเพราะันเดินไปเนี่ยจะเดินจะความขาดสติเป็นส่วนมากแต่ถ้าเราถอดรองเท้าใช่ไหมเท้าเปลือปล่อยๆอย่างเงี้ยเดินไปไหนมันต้องระวังจะเหยียบจะอะไรเนี่ยใช่ไหมหรือแม้แต่บางทีเราเห็นที่สกปรกที่สกปรกก็ยังเอ้ยต้องระวังเลยใช่ไหมอ่ไม่ใช่แหมพอไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ขยะกองไหนอะไร ที่ไหนสกปรกไงก็ย่ำแหลกไม่อย่างนั้นหรอกมันจะมีสติมันจะคอยดูแล้วก็เท้าก็ไม่ค่อยอ่อนแอด้วยเพราะว่ามันได้เหยียบย่ำมันได้สัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เท้าเราเหมือนก็ได้ออกกำลังกายได้บริหารว่ามันจะแข็งแรงกว่าเท้าที่โดนหุ้มหอ่อเหมือนเด็กที่โดนเลี้ยงโดยเอาใจใส่แหมประครบปงมไว้หมดกับเด็กที่ปล่อยตามธรรมชาติหน่อย ห่านะหกล้มหกลุกมัางนะ่าต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมันได้ฝึกฝนเพราะนั้นเด็กอย่างนั้นจะแข็งแรงกว่าเข้มแข็งกว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่านันเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้คำเท็จของหญิงเหมือนคำจริงคำจริงของหญิงเหมือนคำเท็จป่วยง่ายว่าฟังแล้วเข้าใจยาก คือบางทีผู้หญิงพูดแล้วมันเอ้มจะใช้คําว่าอะไรอ่ะคำว่า ก, กมกลวงไหมป่ะจะใช้คําว่ายังไงคือฟังแล้วก็เออมัน ก, มนก็มันก็น่าจะจริงนะแต่ที่ไหนได้เอ้มไม่จริงฮ่แต่บางทีพูดไม่จริงเนี่ยแต่ฟังแล้วเออเหมือนจริงฮ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กับป่วยง่ายนะเขาก็หาเรื่องหาอะไรทุกแง่มุมม า, มาว่า หรืออาจจะสรุปก็ได้อาจจะอาจจะสรุปในทำนอง น, นี่คือพูดไม่ค่อยตรงอะ่ะอย่างงี้ดีกว่าผู้หญิงเนี่ยพูดไม่ค่อยตรงพูดมักจะเฉเฉยใช้ใเบีย้ยวเบีย้ยวเบียงเบียงอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้คือพูดไม่ตรงไม่ตรงอะไรอะ่ะความจริงหรือว่าพูดไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาอะไรพวกนี้มีลูกเล่นเยอะพูดง่ายเอางี้ดีกว่ามีลูกเล่นเยอะ เวลาพูดแล้วอาจจะเพราะไม่รู้แล้วนะคิดไอ้โนนคิดอินี่คิดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่และเพตอะนั้นจะพูดอย่างเงี้ยออะไรอ่ะสลับซับซ้อนเอเอาสับปรับเลยเหอรอสับปรับนี่มันไอ้นั่นเลยนะมันหนักมันมันหนักกว่าอันนี้นะ แต่ น, นี้เขาก็ใช้คำว่าคาเท็จนะพูดคาเท็จเหมือนคำจริงพูดคำจริงก็เหมือนคาเท็จก็เชื่อยากอะ่ะใครก็ตามถ้ามีลักษณะแบบนี้โอโ้โหไม่มีใครอยากครบนะถ้าเขายังไม่รู้ก็แล้วไปแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่อ่ะโอโ้โหคนนี้ทำไมพูดจานั่นแหละสับปรับอย่างเงี้ยนะ พูดจาแล้วกลับกรอกพูดจาแล้วเอ๊ะทาไมมันเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเดี๋ยวไม่จริงเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะโอ้โหบางคนนี่เกลียดมากเลยนะบางคนนี่ถือสามากเลยพอเจออย่างนี้เข้านี่เลิกคบเลยนะบางคนอนะ่ะโอ้โหกลายเป็นเรียกว่าจากเคยเป็นเพื่อนกันนี่บางทีกลายเป็นเกลียดชังกันไปเลยจริงๆก็ไม่ควรรุนแรงถึงขนาด น, นั้นเรารู้จริตรู้นิสัยแล้วว่าเออคนนี้นี่ยังไว้ใจไม่ค่อยได้อะ่ะพู้จาไม่ค่อยตรงกับความจริง เราเรารู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เอ้าแต่ไม่ต้องไปเกลียดเขาหรอกไม่ต้องไปชิงชังอะไรเขาแล้วเราก็รู้เอาไว้ก็ระมัดระวังเร า, เาไว้ก็ใช้ได้แล้วจริงๆอืมหญิงทั้งหลายย่มเลือกคบแต่ชายที่มีทรัพย์ดังโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกอนี่เราเคยพูดกันไปแล้วหญิงทั้งหลายย่อเปล่าเปลวปลมชายด้วยการเดินการจ้องดูยิ้มแยม้ม ดุ่งผ้าหลุดๆลุดยลเดี๋ยวเนี้ยเลยเดี๋ยวเนี้ยดุ่งผ้าหลุดหลุดุย ๆ, ๆุยและพูดไพเรอ<笑><笑>น่ะเอาตั้งแต่อันแรกเลยบอกว่านี่หญิงนะชอบเล่าเะโรมรเล่าเะโรมนี่ก็เหมือนถึงเอาอกเอาใจอะนะเอาอกเอาใจผู้ชายด้วยการเดินเป็นยังไงผู้ชายเขาชอบอยังไงกิเลสผู้ชายอะเขาชอบอยังไงผู้หญิงต้องเดินยังไง ถึงจะถูกกิเลสผู้ชายนะอันนี้บอกตุ้งติง้งนะหยนาดอัตมานึกได้คํหนึ่งนะแม่พูดแล้วก็รู้สึกอัตมาก็ชอบพูดคํานี้อยู่เหมือนกันนะนะรู้สึกว่าเดินแบบสดิดเซดดิ้งนะี่นะแม่บางทีดูแล้วก็น่าหมั่นไส่นะสำหรับอัตมานนะ ดูแล้วหนะ้ามันไสแต่ว่าอา้าวบางคนเ็าชอบนะเออก็ชอบแม้เดินยักย้ายสายทะโพกเนเดินอะไรอบิดไปบิดมาบางคนไอ้พวกชายพวกผู้ชายที่มันมีกิเลสกามตันหามีอะไรพวกนี้นะราคะอะไรพวกนี้ชอบเออแต่ไม่รู้แล่ละแต่ยังอัตมาเห็นแล้วเดินแล้วอุ้ย ขอขอขอภัยแม่รู้สึกว่าจะจะพูดออกไปแล้วก็เออพูดตรงๆขอขอข อ, ขอพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเห็นแบบเนี้ยถ้าผู้หญิงมาเดินลีลาทําเป็นตดีสดิ่งอะไรเงี้ยนะโอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนนะขอขอขอใช้สำนวนเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันนี่นะสำนวนเมื่อก่อนบอกเห็นแล้วอยากจะถีบเลยไง สำนวนเมื่อ ก, ก่อนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วรู้สึกมันรู้สึกจริงๆริะคือในใจแต่มันรู้สึกจริ ง, ๆ, ใใรรงๆโอ้ยเห็นแล้วก็แหมมันคันเท้าเห็นแล้วก็ไม่รู้ละจะเป็นดาวอยูนในหนังหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในหนังเราเรารู้ว่ามันแสดงไงเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไส้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามาเห็นของจริงเนี่ยมียจริงๆนะยิ่งโดยเฉพาะอัตมานะ่ะ มีเพื่อนนะ่ะนะเพื่อนเนี่ยมันเรียนพวกศิละปะเรียนพวกอะไรกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีไอ้พวกเนี้ยมันทะลึ่งทะลึ่งบางทีมันแกล้งกันนะนะเออโดยเฉพาะนะไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายชอบแกล้งทํามาเป็นผู้หญิงทํามาเป็นเสดิจดิ่งโอ้ยิ่งหน้ามันซ้ยยิ่งแบบผู้หญิงทำํำเพราะนี่มันเป็นผู้ชายทำแม เ, เรารู้ว่ามันแกล้งนะแต่อดไม่ได้ รูส้สกโอ้ยมันไสจังเลยไอย้นี่นี่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงทําเองเนี่ยโอ้ไม่ชอบจริงๆดูแล้วมันมันมันน่าเกลียดดูแล้วกลับรู้สึกว่าโอ้ไม่เข้าท่าเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้นี่กามาตันหามากจะรู้สึกอย่างนั้นนั่นแหละ น้าอันนั้นกีเขาพูดถึงการเดินเนี่ยปล่าบัลมชายด้วยการเดินด้วยการจ้องดูเป็นไงด้วยการจ้องดูนั่นสิด้วยการจ้องดูสิเป็ น, ปนยังไงเขาเรียกว่าใช้สายตาแบบไห น, นอันนี้สอดซองประตูเฮ้ยสอดซองมันจะไปปล่าวบัมที่ไหนสอดซองเออใช้ตาเยิม้มเขาต้องเรียกตาเยิม้ม เนี่ย ท, ทำตาเซ็กซี่ เ, เดี๋ยวนี้ต้องใช้ทำตาเซ็กซี่ทำตาเยิ้มเยิ้เหมือนนางกวักไงกวักเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเขามองตากันเนี่ยไอพวกพวกมีกิเลสตัณหาอะไรพวกเดียวกันเลยนะมองตากันนี่มันรู้เลยนะรู้เชิงกันแล้วเอมันรู้กิเลสก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าส่งสายตา